เราทำเทศนาแผ่นที่70ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8พฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่าคัดสรรก่อนการบวชวันนี้เป็นวันที่8 พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ห้าสบเจ็ดวันนี้เป็นวันแรมสองค่ำเดือนสิบสองนสองค่ำเดือนหนึ่งเป็นเดือนหนึ่งแล้วนะคณะทาญาิโยมทางจันทรรคติแล้ววันนี้พวกเราจะมีกิจกรรมบวชพระ เมื่อฉันพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอุปชาเจ้าคณะอำเภอจะมาบวชทำพิธีบวชพระวันนี้ที่วัดของเราวัดของเราเป็นศาลาหลังนี้แทนโบสถ์แทนโบสถ์ได้ทุกอย่างเพราะว่ามีหลักวิสุงคามสิ ม, มาถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยเพาัพวกนีพวกเราจะได้บวช ลูกหลานไว้ในพระพุทธศาธสนาแต่่วาการบวชที่วัดของเราเนี่ก็ไม่รู้ว่ากี่รุ่นเหมือนกันผู้ที่ดงสงสาํารงทรงศาสนาอยู่ต่อไปก็มีไม่น้อยที่ผู้ลาศิกขาก็มากแต่ผู้ลาศิกขาน่าจะมากกว่าเพราะว่าผู้ที่จะเข้ามาบวชบางคนก็เป็นขรรชการหรือว่าเป็นพ่อค้า หรือว่าผู้ที่จะเข้ามาบวชชั่วคราวเพื่ออุทิศตนไว้ในพระพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อเขาไม่ได้ไม่ว่าถ้าหากว่าเข้ามาและเป็นผู้ตั้งใจตั้งใจจริงจะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีควรจะที่จะดารงไปทางโลกก็ควรจะเป็นคนสุขซะก่อน คนสุขก็คือได้ผ่านการอบรมทางด้านศีลธรรมจริยธรรมซะก่อนจากนั้นเราก็ได้นำธรรมคุณธรรมศีลรัธรรมจริยธรรมเอาไปใช้ในครว่าตในครวาตธรรมมันก็เป็นประโยชน์เพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงไม่ได้ปิดกั้นว่าจะพูดจะบวชตลอดซะก่อนจึงจะรับ ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าหาว่าผู้ที่เข้ามาบวชแล้วผู้ที่จะเข้ามาบวชอันนั้นเราต้องดูซะ ก, ก่อนกันกรองพอสมควรผู้ที่จะเข้ามาบวชติดยาเสพติดมาก่อนไหมถอนได้ไหมถ้าว่าติดยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกยาบ้ายาาอเ น, น, นโอหน่ากลัวเพราะมันจะขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ติดยาเสพติดอย่างอื่นก็ระมัดระวังเพราะวัดของเราเป็นสาธารณะเราจะไปเอาคนพ่อแม่ก็บยังทิ้งสงสังคมมาทิ้งแล้วมาให้วัดของเราเป็นขยะก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่วัดของเราก็เป็นวัดเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็เป็นที่กราบไหว้ของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า เพราะนั้นเราจะเอาคนมามาบวชให้เป็นพระแล้วให้คนกราบไหว้เราจะไปเอาคนชัว่วๆเสียหายในชุมชนสังคมเขาไม่ยอมรับแล้วเอามาให้คนกราบคนไหว้ก็ไม่น่าจะถู ก, ถกเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องการกรองอจะเป็นสิทธิมนุษยชนก็เถอะนะ เ, เขาก็ไม่เอาเหมือนกันคนเร็วๆเข้าไปอยู่ไปทำงานในสิทธิมนุษยชน เขาก็เอาคนดีๆเหมือนกันนะเขาก็กันกรองคนที่มีกิริยามารยาทคุณธรรมศีลธรรมรับผิดชอบแต่ซะก่อนเขาจึงเอาเข้าไปทําในงานทํางานในสิทธิมนุษยชนนะแต่เขาก็พอเขาพูดออกมาเขาก็ว่าสิทธิมนุษยชนอย่างง้นอย่างนี้แต่ตามไม่จริงพอเขาเออกเขาเข้าจริงๆเขาจะไม่เอาคนกาวาเล่เกวราดเหมือนกันพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันที่จะนําคนเข้ามา เป็นพระให้คนกลับไหว้หเคารพสักการะบูชาเนี่ยต้องจัดสรรเลือกสรรอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านตั้งกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ในครั้งพุทธกาลก่อนที่จะเข้ามาบวชพระอาจารย์ก็ต้องถามอันต ร, รายยึกธระมำซะก่อนหลายอย่างโกดทั้งกันโทกีลโซ่สรุปแล้วก็คือโรค ในตัวของเจ้ามีอะไรบ้าง เ, าเจ้าเป็นคิดทูดกุดถังไหมคิดทูดคือคุดโรคคุธธาตนะุหลบเรื้อน เ, อเจ้ามีไหมกลากที่ติดคนอื่นมีไหมจนถึงว่ า, เ, าเจ้าเป็นกระเทยไหมถามไปหมดนะ แล้วก็ดูอากับอาการครบ32สองหรือเปล่าอันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังคือพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นคนแล้วก็จับมาบวชทั้งหมดไม่ใช่แตต้องท่านต้องการกรองดูซะก่อนว่าคนคนไหนสมควรที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชเข้ามาแล้วเป็นที่กราบไหว้เป็นที่ยอมรับของคู่คน ไม่ใช่่าเอาโลกเรื้อนเข้ามาบวชนิ้วก็าขาดหูก็ด่้วนอะไรเอาไว้ยวะทุกอย่างและเห็นคนเห็นแลวคนจะมาวัดได้ยังไงม่เข้ามาสู่วัดวาสาสนาทั้งที่มาเพื่อกราบมาไหว้พระสงฆ์อยู่ในศีราจริวัดสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอวัยวะอาการ32สองครบบริบูรณ์มีสติมีปัญญา เข้ามาแล้วก็สบาย อ, อกสบายใจอันนี้ถ้ามาเข้ามาแล้วกันะ เ, เห็นอย่างนั้นเข้ามาแล้วพวกเราเป็นยังไงอดสูดูดายไม่ใช่ไม่ไม่เป็นที่กราบไหวเคารพสักการะบูชาสิ่งเหล่านี้พวกเราพุทธบริษัท ต, ต้องได้คำนวณต้องคิดให้ดีซะก่อนผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันต้องคิดให้ดี อันนี้แหะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่าก่อนที่จะเอาลูกหลานเข้ามาบวชไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องการกล้องไตรตรองด้วยเหตุและผลอันนี้หลวงพ่อเคยย้ําแล้วพูดอีกอสําหรับพวกเราวันนี้พวกเราก็จะได้บวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาองค์หนึง่ง เพื่อเป็นทายาทของพวกเราต่อไปภายภาคหน้าเพรา ะ, ะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ให้สำรวมกายวาจาใจของเราให้เป็นพระที่ดีให้เป็นพระที่มีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีชิ่ลิคือความละอายแก่ใจโอตตปะคือความกลัวต่อบาปในจิตในใจเข้ามาบวชแล้วก็เป็นผู้ตั้งใจ ตั้งใจจริงอยู่ในหลักพระธรรมวินัยเป็นศาสกะยะบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนี่แหละอันนี้ก็คือการบวชในพระพุทธศาสนาเพราะว่าในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อเคยได้พูดได้กล่าวโลกสมัยทุกวันนี้มันแปลกไปเรื่อยๆเพราะโลก ผลมันมากขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมก็มากแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าทิศ ท, ทั้ง6ที่นํามาเปรียบเทียบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังทิศเบื้องทักทิศ ท, ทั้งหทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้อง ขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องสูงสมณพราหมณ์ทิศเบื้องต่ําบ่าวไพ่คนรับใช้คนงาน น, นี่แหละอันนี้ก็คือทิศทั้งหปฏิบัติตนยังไงจึงจะถูกให้ถูกต้องในทิศทั้ง6นั้นทิศเบื้องหน้าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทากิตระของท่านดํารงวงศกุล ประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะอันนี้ก็คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังสามีภรรยาเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วแต่งงานกันแล้วถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนมงคลสมรสแล้วให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าออกนอกลู่นอกทางสามีทะเลถลายภรรยาทะเลถลาย ครอบครัวนั้นจะหาฝั่งฝาหาความสงบสุขไม่ได้เพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือทิศเบื้องหลักสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ตั้งแต่เราเป็นเด็กเป็นเล็กมาเราเข้ามาเข้าโรงเรียนต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนทุกระดับขั้นตอนจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ทุกระดับเพราะนั้นให้เคารพครูบาอาจารย์ อย่าไปตีเสมออย่าอวดดีให้เคารพอันนี้คือครูบาอาจารย์ของเราให้แสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อครูบาอาจารย์ท่านจะให้วิ ช, ชาความรู้ที่เหนือกว่าถ้าเราให้ความเคารพเคารพคารวะท่านนี่แหละอันนี้คือทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราเกิดมาต้องมีพักมีพวกมีหมูมีเพื่อน มีกัญยาณมิตรที่ดีแต่อย่าเป็นปาประมิตรนะปาปมิตรคือมิตรชั่วก็มีเหมือนกันแต่เพราะนั้นพวกเราควรจะเลือกคบมิตรที่ดีกัญญาณมิตรคือคนดีถ้ามีคนดีเข้ามาเป็นพักเป็นพวกทำมาค้าขายเกื้อกูลหนุนกันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าหากว่าคบป่าประมิตรคบคนเลวคบคนกินเหล้าเมายาสุรานารีอบายมกุกขนความชั่วเสียหาย คบเข้าไปก็ยิ่งถลำลงไปทางต่าเพราะนั้นาการเลือกครบต้องเลือกคบกัลา ย, ยาณมิตรอันนี้คือคทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่าคือลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารต้องเราต้องให้ความเมตต า, าให้ความสงเคราะห์อนุเคราะห์ลูกน้องบริวารเพื่อให้เขาอยู่เขาอยู่ได้อย่างไร เ, เขามีความขัดข้องขัดตกบกพร่องอะไร เขาเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงเขามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนเราที่เป็นหัวหน้าเราก็ต้องให้ความอนุเคราะห์เขาเ อ, อลูกน้องกับนายอันนี้ทิศเบื้องต่ําทิศเบื้องบนสำนนะพราห ม, ม, มณ์สำนนะพราหมณ์ก็อย่างที่หลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ถ้าหากจะจัตถาญาดโยมสิทธิอนุสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะชี้นําชี้แนะให้ฟังว่าอันนี้ผิดนะอันนี้ถูกนะอันนี้ควรไม่ควร นรกสวรรค์มีจริงนะคณะสัตยาติโยมลูกหลานนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะอย่าทําความชั่วนะความชั่วเมื่อทําลงไปแล้วความชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉนั้นอย่าคิดชั่วอย่าทําชั่วอย่าพูดชั่วนะคิดดีทดําดีพูดดีเท่านั้นจึงจะเจริญนะอันนี้ก็คือสมณะพรามต้องแนะนําสั่งสอนในสิ่งควรไม่ควรนะเออ แต่เมื่อไม่นานมานี่หลวงพ่อเขาไปนู้นไปทอดกระินที่วัดบางพลีอที่สมุทรปราการหลวงพ่อในช่วงที่เขากําลังรวบรวมจิตปัจจัยเห็นคนมันเงียบนะหลวงพ่อก็บอกเออคณะสัตยาญาิโยมหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสาธารณะเป็นพระของพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเวลาฉันจังหันก็เนี่ย ฉันจังหันจากพี่น้องประชาชนเข้ามาทําบุญทำทานหลวงพ่อหนุ่ยเป็นพระชุมชนเป็นพระเป็นพระสาธารณะเป็นพระของทุกคนของพี่น้องนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่ออยู่ในวัดพี่น้องประชาชนก็เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าเหนือไม่ว่าใต้ไม่ว่าต่างประเทศก็เข้ามาเกี่ยวข้องแต่บางคันบางท่านบางคนก็มาพูดเรื่อง เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังสรุปแล้วก็คือวัดเนี่ยสาธารณะอย่างว่าใครมีอะไรก็มาพูดมากล่าวบางทีหลวงพ่อก็อยากจะรู้เรื่องก็ถามเออจุดนั้นเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงพูกที่รู้ทําหน้าที่การงานอยู่ในจุดนั้นเขาก็มาพูดมาเล่าให้ฟังหลวงพ่อก็ได้อืฟังเพื่อรับรู้รับทราบชุมชนสังคมประเทศชาติโลกในปัจจุบัน แต่ทั้งยังไงเราก็ยึดโลกทั้งโลกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละไม่เป็นสวรรค์ชั้นฟ้าอย่างอื่น่ะมีแต่กิเลสโลภโกรธหลงนลั่นแหละอยู่วักวนเวียนอยู่ในนี่แหละอยู่ในโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหานี่แหละแต่หลวงพ่อก่อนนั้นนะพยายามแนะนําสอนบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนแต่มีชนกลุ่มหนึ่งไม่นานมันนี่นะลูกหลานเออมาจากนนน แล้วโคราชนะก็ามาถามว่าหลวงพ่อเนี่ยแม่ของเขาเนี่ยไม่สบายใจเพราะลูกเขาลูกเขาเก้าวร้าวแต่เขาก็ไม่ได้พูดว่าลูกชายลูกสาวนะลูกก้าวร้าวไม่สบายใจหลวงพ่อจะแนะนําเขาอย่างไงที่จะแนะนําลูกของเขาให้เป็นคนดีเป็นที่ยอมรับเป็นคนดีได้ หลวงพ่อก็ว่าหออลวงพ่อก็เลยพูดแบบนั่นแบบห ล, ลวงพ่อก็เฮ้ยหลวงพ่อบอกเฮ้ยใครๆครกบว่าออจะไปแย่แสอะไรลักษณะอย่างนั้นอะหลวงพ่อก็เฮ้ยหลวงพ่อบอกว่าเขาพูดว่าทำให้เขาเกิดมาแล้วออไม่เลี้ยงเขาดีออทำให้เขายากจน เขาอยากจะได้โทรศัพท์มือถือก็ไม่ซื้อให้เขาเขาจะได้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ทาให้เขาไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นเขาพ่อแม่คนอื่นเขาหามาให้ลูกแต่พ่อแม่อย่างนี้ไม่ดูไม่แลเขาจะเป็นพ่อแม่ได้ยังไงทำให้เขาเกิดมาทำไมเขาพูดอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมเข า, าใช่ใช่ลักษณะลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นแหละเขาหลวงพ่อก็บอกว่าเฮ้ ทำไมไม่บอกเขาลูกาสาวลูกชายตะแก่ก่อนมาเกิดตะแก่ไม่ดูก่อนเลยไม่ดูเหรอว่าพ่อแม่เนี่ยากจนอกูเนี่ยากจนอสู้ได้ดูไหมก่อนที่จะมาเกิดอถ้าสู้รู้แล้วว่ากูจนสู้เสือกมาเกิดทําไมหลวงพ่อว่างันนะทําไมไม่ไปเกิดที่อื่นเอในโลกนี้มีัแตะแยะที่รวยๆทาไมไม่เกิด ทำไมมาเกิดกับข้าทำไมมาเกิดกับกูทำไมมาเกิดมันก็นต้องทุกยากอย่างนี้แหละสิพอานั้นไม่พอใจเกิดขึ้นมาเอาข้าเลี้ยงใหญ่แล้ว เ, เป็นผู้ใหญ่แล้วรู้แล้วเดียงสาภาวะแล้วเอาตัวรอดได้แต่ไปหนีรู้แล้วว่าข้าได้จนข้าจะอยู่ตามทุกตามยากของข้าแล้วข้ามันจน น, นีตามไม่จริงน่าจะว่าอย่างนั้นนะ ไม่ใช่ว่าจะไปอ่อนข้อทุกอย่างก็ไม่ได้นะแต่ถ้าว่าเขาสอนเขาแล้วเขาเป็นคนดีเขากลับตัวได้เออใช่ข้าเนะ่เกิดกับพ่อแม่พ่อแม่ก็ยากจนท่านก็เลือกไม่ได้จะเลือกเอาลูกชายที่ดีๆนิสัยดีก็ท่านก็เลือกไม่ได้เราก็เป็นคงจะเป็นกรรมของเราที่มาเลือกที่มาเกิดกับท่านเอาเถอะในเมื่อมาอยู่กับท่านแล้วข้าจะเป็นคนดี ข้าจะคิดดีข้าจะทําดีข้าจะพูดดีข้าจะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสิ่งไหนที่มันดีข้าไปข้าพระเจ้าจะทําสิ่งนั้นอันนี้แหละถ้าคิดได้อย่างนี้มันก็ดีถ้าคิดไม่ได้นะก็อย่างที่หลวงพ่อพูดพราะเหตัยคนที่เกิดมาด้วยกันมันเป็นกรรมน่ะกรรมในอดีตอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันแต่ท่านเกิดภพใดชาติใดพอสรุปออกมาแล้วก็ เราเกิดชาตินั้นพ่อของเราก็คือพระเจ้าจุตโทธนะแม่ของเราก็คือนางสริมหามายาคือวงศานาญาติอย่างเก่าเพราะนั้นคนที่ได้ลูกไม่ดีก็าตามนะก็เป็นบาปกรรมของตนเองเหมือนกันหลงพ่อว่านะเพเอเพอเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยตัวเองอาจจะขายยาบ้ากัญชายาฟินเฮโรอินขายยาเสพติดขายเหล้า พวกนี้แหละพวกที่เร็วๆเป็นผู้มาสนับสนุนเรามาซื้อเหล้ามาซื้อยาเสพติดเราก็ขายให้เขาก็ได้เงินฮไงเขาก็โอ้เท่าแก่ของเรานดีจริงๆว่าถ้าข่าได้เกิดชาติหน้าก็ขอให้ข่ามาเกิดครับอคุณป้าคุณป้าคุณลุงที่เป็นเท่าแก่ขายยาเสพติดให้เราเนะ่ยบางทีเราหิวก็มาขายให้เรา โอ้ดีจริงๆรฮะนี่แหละเจ้าลบแรกก็คือพวกที่ทำอย่านี้มันก็หมุนเวียนก็มาเกิดด้วยกันใช่ไหมในเมื่อบวชมาเกิดด้วยกันแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วจะมาดูถูกกันได้ได้ยังไงเพราะบุญบารมีมันสมพงกันแล้วจะมาเกิดด้วยกันเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหน่อยสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำํำซะเลยดีกว่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วอย่าคิดอย่าพูดอย่าทําในสิ่งที่มันไม่ดี ให้คิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีนะบอกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วจะคิดคิดชั่วก็ดีทำชั่วก็ดีพูดชั่วก็ดีอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อเราทำกรรมชั่วความชั่วให้ผลตนเองจะเดือด ร, ร้อนเมื่อภายหลังแนวะอักตังลุกตังเสยโยปัจฉาตะปฏิทุกตังอันนี้เป็นภาษาบาลีนะแปลออกมาว่ากรรมชั่ว อย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับทุกคนที่ได้ยินนะสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำถ้าทำแล้วตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่เดือดร้อนภพนี้ชาตินี้กับชาติหน้าจะเดือดร้อนไปเรื่อยๆอย่างพะโมกคลาที่ท่านฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่านในอดีตต่ชาติไม่รู้ว่าชาติไหนละ พอมาชาติที่ท่านเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเหาะเหินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้เป็นที่ยอมรับเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าทางด้านซ้ายนะพระโมกขลาพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกทางด้านขวาขวาซ้ายของพระพุทธเจ้าแต่ถึงขณะนั้นถูกโจรฆ่าตายทํำไมคนทั้งหลายก็โจดขานกันไม่น่าจะเป็นแต่พระพุทธเจ้าสมควร ตายแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้ในอดีตชาติน่ยเพราะโมกคลาเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มาในอดีตชาติมาพบนีชาตินี้กรรมตอนนั้นยังให้ผลต่อเนื่องมาอยู่ยังไม่จบมาชาตินี้ก็ท่านก็ถูกฆ่าถึงท่านจะมีฤทธิก์ก็เถอะแต่ก็ไม่เหนือกรรมกรรมหนักกว่าเหนือกว่าเหนือกว่าฤทธิ์ก ว, กว่าเดชใครว่าใครว่ากรรมเนี่ยมันเหนือกว่าเงินกว่าทองนะ ถ้ามีเงินมีทอง ม, มีเงินมีคำทรัพย์สมบัติขนาดไหนก็เถอะไม่มีเงินไม่มีใครที่จะจ้างไม่ให้ใจขาดได้บางทีตกเครื่องบินรวยรวยตกเครื่องบินก็มีรถรถชนตายก็มีทำไมไม่เอาเงินจ้างไว้มันฤทธเดชก็เหมือนกับเงินนั่นแหะมันไม่สามารถที่จะคุ้มครองชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นกรรมเหนือกว่าเหนือกว่าเหนือกว่าฤทธกว่าเดชทั้งหลายทั้งปวง เพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทําเสลยดีกว่าให้สร้างแต่คุณงามความดีให้สร้างแต่บุญกุศลเพราะนั้นวันนี้พวกเราก็ได้มาจะเตรียมตัวบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลพ่อแม่ปู่ย่าตายายของนาคก็จะฝากฝังลูกไว้ในพระพุทธศาสนาผูกเป็นนาคผู้เป็นบวชก็ทั้งอกตั้งใจกับตนเป็นคนดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีผ่านมาแล้วให้ลดละเลิก ในสิ่งที่มันไม่ดีให้แต่ทำแต่ความดีต่อไปภายภาคหน้าเมื่อทำความดีและความเจริญความผาสุขความสบายใจก็จะเกิดขึ้นกับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร